แต่ถ้ า, าว่างไม่มีศาสนาพิธีเสยเลยต่างคนต่างธรรมก็มันจะเหินห่างออกไปเพราะนั้นจะมีการสวดพร้อมกันเพื่อสนรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่ใช่อย่างอื่นพร้อมกันนี้ต่อไปนี้ก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาจะเปิดเทปให้ฟังที่หลวงตาพิธันอุปรมสัง่งสอนราเนนประชาชน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 ในเมื่อกูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนว่าปฏิบัติอย่างนี้เดินโยกมอย่างนี้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้กําหนดพิจารณาอย่างนี้จากนั้นพวกเราก็นํำไปประพฤติปฏิบัติได้รับผลมากน้อยอย่างไรแค่ไหนมีอุปสรรคอย่างไรก็พร้อมที่จะมาถามไต่ถามหมู่พวกเพื่อนกูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหมู่พวกเพื่อนที่ภาวนามาก่อนพวกเราก็มี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 อันนี้ก็เหมือนการกายวาจาของเราอยู่ในกรอบเป็นพระที่ดีเป็นครวัดที่ดีอยู่ในศีลและธรรมอยากจะภาวนาอย่างไงทำจิตให้สงบอย่างไรก็เราพยายามทำต่อเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้เพราะฐานของเราดีแล้วแต่ถ้าว่าฐานของเราไม่ดีฐานของเราหง่อนเงฐานของเราไม่ดีเราจะทำให้สมาธิเกิดคือกฎระเบียบ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 อยู่ในกรอบเป็นพระที่ดีเป็นครวาตที่ดีเพออยู่ในศีลธรรมอยากจะภาวนาอย่างไงทําจิตให้สงบอย่างไ ร, ก, งงไรก็เราพยายามทาต่อเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้เพราะฐานของเราดีแล้วแต่ถ้าว่าฐานของเราไม่ดีฐานของเราก่อนเงฐานของเราไม่ดีเราจะทําให้สมาธิ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 พอถูกน้ำลายกลืนเข้าไปในลําคอนะถ้าเราคายออกมาแล้วก็เป็นของโสกปรกแล้วไม่กล้าที่จะเอามาเข้าปากกืนเข้าไปกินอีกไปได้ลนะขนาดของตัวเองทแท้ๆแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของโสกปรกจากนั้นก็เอาเข้าไปในถึงท้องและวอวกออกมาเนี่ยัยงขยะขยแยงอวกอาจเจียนของตนอีกทั้งที่ตอนเช้าฉันอเล็กอร่อยพอตกตอนเย็นพวกนี้เช้าถ่ายออกมาแล้ว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 อาสวะกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงสรุปแล้วก็คือพิจารณากายตั้งแต่ก่อนกายเป็นของหยาบเมื่อพิจารณากายอะไรก็พิจณานใจย้อนมาหาใจใจของเรานะไปลุ่มหลงไปมัวมอไปติดพันกายของมันก็ไปตามสภาพของค์มันเหมือนกับโลกทั้งโลกทีนะี้เราก็ไปยึดถือว่าเป็นของเราเราก็เลยเป็นทุก ข, ทข์ไรน้เนเร า, า, นาเป็นของเราทํามาค้าขายกิจการงานเป็นของเราสามีพัญญาเป็นของเราบ้านเตือนเป็นของเรา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 พิณาตัวเองนะโดนกำหนดพิณาร่างกายของตนเองพิณากายพิณาใจเมื่อพิณากายเมื่อพิัญ า, า, าใจแล้วเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วกายของเราเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งกายของเราก็ต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันของไม่เที่ยงเหมือนกันก็พิณาถอนอุปทานการคิดมันถือหมันในจิตในใจก็ถึงจุดนั้นแหละ ปล่อยวางยึดมั่นแล้วใจของเรามื่ก็หลุดพ้นจากกิเลสก็อย่างถิ่นว่านัะนะ้ามันมะพร้าวออกจากมะพร้าวนะนะจากคุยจากกะทิมะพร้าวนะความบริสุทธิ์ออกมาจากใจที่มีกิเลสนั่นแหละไม่ใช่ออกมาจากที่อื่นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่นจิตใจก็บริสุทธิ์จากราคาโทสะโมหะกระจบทันพุทธภูมาจันจบแล้วก็รู้ได้ตนเองไม่มีเราเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้ว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 ใจจะตายใกล้จะตายแล้วนะทนทุกโทรมานเท่าแกลชาลาข้าค้าร่างกายของเราไม่ไปตามบัญชาที่ใจเราคิดลุ้นแล้วจะเป็นเรื่องทุกข์ทางนั้นเลยหาความสุขไม่ได้เกิดมาพบนี้ชาตินี้อย่างนั้นชาติหน้าก็เป็นอีกอย่างเก่าแล้วนะไม่มีที่สิ้นสุดยางนี้เป็นมนุษย์ถ้าเป็นสัตว์ที่ฉันเป็นช้างม้าโวโควยัยหมูหมาเป็ไก่แล้วกันยิงเขาเอาไปฆ่าไปแกงอีกต่างหาก จะทนทุกข์ขนาดไหนการเบียนด่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร น, น, นี่น่าเบื่อจริงๆพระพุทธเจ้าจึงยกมือบายบๆว่ากั้นลาก่อนนลกยืนลําพังที่เมืองเวซาลีนะถอดพระเนตรเมืองเวซาลีเป็นครั้งสุดท้ายนะทอดอะไรดูครั้งสุดท้ายว่ากั้นเราจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติประพฤติปฏิบัติพระ อ, องค์รุ่งท้นอย่างงั้นแหะไม่มาเกิดอีก มีแต่พวกเราเนี่แหละใครจะเก่งก็จกตากันมีแต่คนเก่งๆท่า น, นั้นแหะผลที่จูกระมาเวียนไหว้ตายเกิดกันอยู่เนี่ยจกตากันนี่เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านจตอกตั้งใจภาวนาสแสวงหาทวางพ้นทุกข์อย่างไรจะจะพ้นทุกข์ทำให้พบชาติตัวเองสั้นเข้าถ้าลอยยิ่งดีไม่ต้องมาเกิดมาเวียนไหว้ตายเกิดอีกเกิด กี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันชาติทุกอย่างนั้น่ะเป็นคนจนก็ทุกอย่างหนึ่งเป็นคนรวยก็ทุกอย่างหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ทุกอย่างนึงเป็นชาฟ้ามหากษัตริย์ดก็ทุกอีกแบบหนึ่งสรุปแล้วมันทุกทั้งหมดอย่างพระพุทธเจ้าพระลาเวปัญจคันธาคันธาหเป็นพระอันหนักแต่ขนาดคันเป็นพระอันหนักแล้วแบการะอย่างอื่นเข้ามาอีกมันจะไม่ทุกได้อย่างไรมันทุกเว้นเสียตั้งแต่ไม่พิจารณาเลยเมื่อก็พออยู่ เหมือนกับหมูหมากาไก่นะั่นแหละเข้าอยู่ในโลกในเล้าเขาโยนข้าวให้กินเอาหวานเข้าให้กินเอาลําให้กินไม่กินไม่คิดไม่อ่านกินจนตัวโตวขึ้นมาได้ขนาดแล้วเขาออกไปเชือดคอซะนั่นแหละตอนที่เขาจะไปเชือดคอนะนะั่นแหะชักดินชักนอดลอง <c oughs> ออกจนฉุดเสียงผลที่สุดเขาเชือดคอแล้วก็เสียงไม่ออกก็ตายแล้วอันนี้ของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นะ แต่ถ้าพวกเราไม่คิดไม่อ่านก็นเหมือนกับหมูตัวหนึ่งนั่นน่ะเกิดมาในโลกนีก้เรไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยมีแต่ว่าความสุขในการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้เพลิดเพลินอุตตโเรเฮโลกินเหล่าเมาย า, เ, าเสียเพนต่างๆพอกเป็นวันๆพอกกิเลสเป็นวันๆไปแต่พอถึงวันจะตายจริงๆที่นี่นะ่ะเห็นแล้วบ้างความทุกข์มันขนาดไหน พอตายไปแล้วก็หมดทุกข์ละจบไปพราะมันช่วงระยะสั้นบางคนก็ถูกรดชนว่างถูกฆ่าผังถ้าว่าพวกตายที่ทรมานหน่อยเจ็บไข้ได้ป่วยออรู้จักตัวเองว่ามันทุกข์ขนาดไหนพอจะรู้ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมในใจกับทดลนทุไรอยากจะให้หายอีกแต่ผู้มีธรรมท่านก็ออร่างกายแต่ก่อนเราก็ลุ่มหลงกับมันว่ามันเป็นสวรรค์ดิมานว่ามันมีแต่ความสุขกิน ได้นอนหลับพักผ่อนนอนสบายการเดินเหินไปไหนก็สะดวกสบายแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วโอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่สวรรค์วิมานหน้านี่มันเป็นกองเพิงกองไฟทั้งกองหน้านี่ท่านก็จะพิจารณาเป็นธรรมของท่านทั้งหมดแต่ถ้าว่าผู้มีกิเลสในจิตในใจไม่แล้วจัมันจึงจะหายว่า ง, งั้นเถอะมีแต่ติดตนอยากจะหายแต่มันจะหายได้ยังไงเกิดมา เกิดแก่เจ็บตายนี่แหละให้พวกเราพิจารณาไว้เสมอเสมอมันถึงจุดหนึ่งเข้ามาแล้วพวกเราจะไม่ตื่นตัวจะไม่เสียอกตกใจเพราเราได้พิจารณาไว้รอบครอบแล้วเราก็จะได้สู่ได้พิจารณาปล่อยวางในจิตในใจของเราในสถานการณ์เช่นนั้นหรือวาระสุดท้ายที่เราจะจากขันนี้ไปนะตอนนี้ไปก็ฟังเทศของ หลงตาแล้วก็นั่งสมาธิต่อ